ไอ้ฝ่อเฝ้าถ้าไอ้ฝ่อเฝ้าภาวนาโมมี่ในสิทธาทุกสิ่งทุกอย่างมันเฝ้าไปหองมันเด้อยังอาทิตย์ยันอังคานทูกเคืฮัททุกเสาปมันไปเฝ้าเพื่ออย่างนี้มันเฝ้าไปมันแลนไปมันบ่ได้เบิ้งล่ะว่าผู้ใดสิทุกสิเดือดสิร้อนยังไม่ได้เบิ้งเลยเด้อโมฮูซามันแล่นไปแลนไปหลือบ่อยุดบ่อยอย่าง มันแรงไปมันบริแรงไปจืดๆอันนี้มันมาขูดมาแก่เอาห่าไปนํามดิโอ้ยคูอยากคูยอยากไปดอกให้คูอ ย, ยู่สักก้อนว่าเห็นว่าไราต้องแต่งแก่ไายลากไปนั่นไม้เข้ามาอายุเข้ามะเท่าไปเท่าไปพื่งกันครับอันการเวลือ่ะเข้าบรอยากไปไปไหนไม่จะไป โอ้กินเขาแสบเวยมันี้ว่กันอยู่สบายเว้ยอยากอยู่ได้อยากอยู่โดนๆด้วันเอาเทานี้ละไปเจ้าว่ากันบอะไรจไปน้ำสันมันวางกัน บ, นนบอกไปแก่พไปฮดคุกสิลป์ น, น, นั่งรีดอยดอกเว้ยรับอยดยอกกันมไปก็ไปซะคุกศปรีดอยู่โว้ยอยู่ในฟู่เนี่ยขาไปยังนําไปเขาอยู่เลยมันสยแก่ออกเมอดหลางม โลกนี่มันมีข้อมแปรขวมเปลี่ยนไปเรื่อยเขาเอ่ยว่ามันเป็นอนิจจังมันมายูพงบูยูพ่นอย่ า, ยายงี่นะแต่จี่เขาบอกคยจังหนุ่มกนี้จังสาวกูนี้จัง้นกว่าจบก็งาามนะแต่กอนนี่พนมาหมัดตะวั่าหลหมดเลี้ยววครู้ระบาดโอ้ยยากจินตญาณอหลมันเปลี่ยนแปลงไป มันแม่แววดีเปลี่ยนแสงไปแน่ห้าบอมักมันมันเปลี่ยนแสงใส่ห้ากบวาดอกว่ากบเดินร่อนดอกแต่ถัดมาแน่ห้ามาตอนนี้ม่อยากให้มันไปก็ไนะมันไปติดไปบมฟังเลยเอายังอ้อยไปกบฟังเด้ดคือจังพอจังเม่ห้าอุตสีแล้วโอ้ยไปดีอยากให้เพื่อนเผาไปดี่อยากให้เพื่อนายกับันเซนโยจะเ่าไปโสโสเสจเสจไปสนุกชีวิต แล้วกับพันธีตายอยู mm ่ใ hmm. ห ER ้เนี really cool. okay. so yeah, really so yeah. ่ยอย่างแกผู้อื่นตายก็ใครแน่บม่ได้มันยังมาเอาเอาคอเอาแม่เข้าตายอยู่นึ่นะในหลักมันบกเสือบกฟังกูถอยได้มันเ้าไปมันเฝ้าทุกอย่างเนี่ยขันเข้าสิมากตัวไปตัวไปสดีดสุดจิงสิอันนี้เข้าสิสุกเดชเข้าสิสุกพิจิตเข้าเยือนอยู่นี่คนมาสาแกนเู่นนี่แหละมาดึงแล้แกแกนเขาบอกไปน เมือ่อนึงจับอยู่นี่ ม, นมันมาดึงแขนเข้าไปเนี่ยเข้าโบไปมันเจ็บเนี่ยมันขาดมันเป็นบาดเป็นแผลบาดนี่ให้พื้นว่ายังได้กัถูมันบไดหรืหอไงกิจได้ถูงมันบาดอกมันหิ้เข่าพีมันทานไปอาทิตย์เดือนข่านพูดไปกเลยฮะุขเสาทานไปเดือนท่านไปปีเกิดทะลุทานของลงมาเต็งมันมีมาแม่บอกประกาจอคุณสวอจะลุเนี่ โอ้มันผ่านไปเรื่อยๆอ่ะออกูไปนะมันจะสบายเลยสินะเห็ดใจมัก<ะ>ไปกไปแล้วสนทันยังขี้เราพ่อทุกคนไหนหอกับพอไปไนี่วะเมื่อวีเท่าทเท่าแยกกินเคกูกับไปแล้วไปนั่นยังที่น่ะคนวากันเข้าไปย่ามว่างโตเห็นมันเขาาจริงแหวรอบ ด, อ ด, ดีดีมยานกพวกคนไหนดอกการะลงชีวิตเฮ้ยจังเขา ชุกๆนี่นะเ้าวบทันยิเงินนีท่องอย่าไปเจเดิดเขามข้ออ้วมเขาทางเขามีเขาหล่ำเขาวดียาสีไปแกงแคส่งแค่สันนของเขาเอาจะหาเนี่ยมนุงมาถือนี่พ่อพ่อหงาลังเกลียดนี่เอาแหละนกจากเพชรไหซ์ามตามอ้วมพอเป็นพ่ออยู่พดีเจ้าของมันจะห้าเป็นขุนนมแสดงคนแสดงโสดพ่อป่านขุนนม มันพูดเถ่าแล้วยังมาแอะแแอนแอย่าชื่อผู้หนุ่มผู A N N, ้น่นอยทึง่งจนแตกตีเดียกะพ้องกันมันบ่เหมาะสมบริเแล้วก็อบอ่แง่เกี่ยวกักับบ่สบายอีสั่มนะเนีย่ยให้บิเนัให้บริงวณสภาพเกยของเอาอ้าอายุไแล้วบ้างตนเป็นผู้ใหญ่ยังหาเบาเหงื่อเบาเล็กเบาน้อยเบาหยอกหยอกเ บ, เบาหนิมเบาน้อยยืติเป็นเด็กน้อยนั่น ยังส่นมันก็พวกเป็นเตาปูน้อยแต่ยู่งสวมสวมปูน้อยผูใหญ่แต่ยิ่งสมผูใหญ่เขาเบิ้งสะานหลางกายเขาโอ้เข่าแล้วเขาแล้วไปฮงจักวาหลางกายมันชุดมันส้มแล้วที่จิไปหาบีดต้องดองแดงๆอยู่คือเขาไผเยอยกไปใช้กับป้ายอดรอทุ่นอดไฟกลางประเทศไปบุ่พี่โอ้ม่วนเหกัน เั่งคนเขาเอาเรถอยู่เนียยิ่งจะไปอยู่ได้เอารถแก่หน้าใสกใส่ไปยิ่ไปเที่ยวอยู่ให้เข้าใจลักนะต า, าของเจ้าของโอ้หอปไปไไไอ ย, ห, ยล ห, ลหลังกยยย ก, กยเขามันบกพร่องไปไกลแล้วบกพรองไปไกลก็ย่งจำใกล้อย่ใงนี้คือทต้งสั่นเนี่างหลังมันคุดต้มเท่าป้วยได้หลายมันจยุ่ในโรงพยาบาลอ่ะคิดดูว่าโอ้ยเขามันหลังกายมันอภคนี Legend, galaxies, แต่นม่งหมอรักษาหายบ่หายเนี่ยก็เอาทักยาสิไปว่าเอาเห้หายหายฮารังเชียร์หมอเขาย่ลงพยาบาลหนึ่งสภาพร่างกายเข้าไปมันโหยโลโร่โโซหลายแล้วหมอเขากวบมักอยู่เพื่อู่ว่าผัวแล้วก็ีพ่ขึ้นเอะขึ้นก็ตีพ่อปนนั่นแต่พันยังสีบืนเอาขึ้นอยู่ใ้อังไหตจงเอาดีขึ้นคือเตาเนียบขึ้นคือเตา นึงนเดียโลกเอียงก็ะสาย ร, อยรนนอ้อยเปอร์เซ้นตนึงนหมอเขาเลยคืดอยากหมออยู่ในใจค้อนสีบอกตรงๆว่าป้นบอดหายดอสีสิบัวเพราะเจ้าไปย่างงงเทงงงเก ง, ง, เงอยู่รลอดบานแบบนีกคนคนก็ บ, บอกกะว่า อ, อยาก้ำใจพอดีพอที่เหนือเฒ่าตั้งใจดีๆใช่ว่าโอ้มันสุดท่วมลายแล้วหมอปวดจำใจได้เด่กเอาล้วเว้ยพอด่งหนึ่งกัสิถิมมันอย่ดอกไว้อย่างสุดะ มันคืดเต็นที่แล้วบางอย่างวันนี้เัดคดไปดูดได้โมเมนตดนๆแค่มาคืดน่ยัดคดไปดูดเจ็บหน่อยเจ็บเล็กไข่นอยไข่เล็กกัคืดไข่นอยไข่แรกกัคืดไปเรื่อยอ่านหาตัวเข้าเข้าเก่เต็ไใวะตัวโปเข้าไปยาเข้าซะตายก็ตายสายน้ากันตัสายน้าเข้าสายน้าบกไปยังวันที่ด้ขันเขาย่อมรับจะพซะ สะพัจะค้องเพียงดแค่นี้นี่ปับตัวเขากับสะาัจะค้องนั่นแหละอ mm ีก hmm. เป็นที่ดูสิดีโดยเฉพาะใจเฮ้าเป็นว่าหอยปล่อยหัว่างซักหันปล่อยแล้วว่างแล้วนะี่ยหันทิ่ไปสู้พุ่มมะโลกกลับไปได้หันทิ่ไปสู้แต่วันกลับไปได้หันทิ่ไปสู้นิพพานกลับไปได้ปล่อยหันบ้างง่ายใจนะแต่หันโปปล่อยว่วว่างจะพลดลอ ง, งองอยู่นเลยเมื่อที่ไปใส่ ใช่ข้าเห็นชื่อไว้